ลาก็มีกี่หลังกันบ้างใครดูแล้วได้ไมหมอันเด่นไม่กี่องค์นั้นพอท่านล่วงไปแล้วมันเราตามใจคนมันมันเ น, นเรื่องอะไรต้อง ต, ต้องมีผลหลักทำวันเหล่านี่ถ้าจะปล่อยให้ทำอย่างนั้นก็ วัดไหนจะไปดูรา้ายยิกว่าเัดป่าวันตาดว่าทั้งที่โบสถ์กับในหลวงจะสร้างอะไรทั้งหลังน่ะเาาราขนาดไหนดูรายขนาดไหนก็ได้ทีนี้เพลอดานแล้วนี่เ ก, ก็พยายามที่จะมาปลูกมาสร้างมาลื้อใหม่สร้างใหม่ตั้งแตเริ่มถึงตีเทดานมันหนุนจนก็ทั่งจะลื้อใหม่สร้างใหม่มาเท่าไรแล้วเนี่มากกี่รายแล้ว เราไม่ทำพระพุทธเจ้าพรองหลูหลาอะไรกับเรื่องเหล่านี้มีไหมภาษาพวกทข้างหลายในตักาตำราดูตำ ร, ตราตำราที่เครื่องดืนยันอยู่นั้นเครื่องที่ทําที่เป็นแบบฉบับอยู่ที่นั่นความรู้ความเห็นความอยากของคนเอาเป็นแบบฉบับได้ยังไง เกนมากมิได่กิเลยเข้าไปตีตลาดตลาดทีแหลกหมดมเจ้าตามนั้นมันจะมีแบบมีฉบับที่ไหนแบบศา ส, สนาด้วยก็ศาสนาเป็นศาสนาของผู้เผยพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาของรังกิเลสพอที่จะให้เป็นไปตามมา ก, ก, กที่สุดทุอย่างทุอย่าง เนาะดูที่ในคอมพรีรเนเรื่องเฉพาะเรื่องของพระเนี่ยสคัญมากหมอท่านแสดงประทานมาอย่างละเอียดแล้วอ่อเข้มงวดกวดขันมากอมลอยทั้งร้อยพระเรามีแต่เรื่องความสงบสงัดมีแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ผลที่ผ่านทั้งนั้นว่าไงในเดี๋ยวนี้มันหันหลังให้ทำที่ลงแสดงไว้นั้นที่อย่างว่านี่มันหันหลังให้มันเป็นคนในโลกไปเลยสุดท้ายเราคืดปกพระเรานเป็นฆาสิทต่อศาสนาจะเป็นใครไปนั่นมันก็ลงได้จุดนี้เพราะว่าองศ์สอนนั้นแต่เวลาทําทําอย่างนี้นี่ สอนที่ไหนครับจะหาขอส่ง่อสร้างยุ่งอย่างมุ่นวายนั้นไม่ไมีว่างั้นหลยยันได้เลยนี่ก็เห็นี้เกับนางวิสาขาสร้างวิหารที่ว่าจิ้นเงินสี่ที่เจ็ดโกตสร้างยี่สบเ็ดโกตสร้างก็หมดเก้าโกตแล้วทำอะไรอีกเก้าโกตฉลองเก้าโคมีสามพักนะ เนพระองค์ก็รับสั่งให้พระโมคคัลลาเป็นคนคอยดูแลแล้วพระโมคคัลลาก็เป็นพระรหันแล้วเป็นอาคสาวข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ามีที่ต้องตีที่ตรงไหนที่พระองค์รับสั่งออกมาก็เป็นแบบเป็นฉบับได้เป็นอย่างดนีนี่นสอนทุกอย่างเป็นแบบฉบับทั้งนั้นทั้งเคลื่อน ถ้าจากความเป็นศาสดาที่ไหนเมื่อไหร่คัมภีร์ไหนไม่เห็นนี่นะเพราะนี่ก็พูดไม่ใช่คุยนักค้นยังกินนี่หนะ่เรื่องคัมภีร์นี่เพราะฉะนั้นทได้ออกมาพูดอย่างไม่สะทกสะพานเ่ยคือไม่ว่าพูดไม่ว่าเทศแเราพูดํามลำดักเวลาแล้วก็ค้นเต็มความสามารถของเราไม่ใช่อยู่ในเพียงภูมิปเปลี่ยนสามประโยคเท่านี้นะที่คนน้นมันยังมากกว่านี้อีก ถ้ากายพิดุลเราก็บเวลาเดี๋ยวกับเรื่องของพระมีตัวอย่างที่ว่านะไล่เขา้าปากเอ้าปากเข้าเขาประลบถึงภิกษุรูปใดองค์ใดในตําหนักตำลามีแต่อยู่ในป่าในเะขาเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาทั้งนั้นที่หงพ่อขกล่าวยกตัวอย่างเช่นกลายพระสัมมาชนะยตำหนิภาษาริบุตรแต่ตำหนิอยู่ภายในใจ คือพระวงคนี้ท่านชอบความสะอาดมากดูใบไม้ร่วงลงมาใบหนึ่งท่านก็ต็ดท่านปัดท่านกวาดของท่านท่านเห็นไหมพรนภาษาพระสารีบูรท่านนั่งของท่านเขาสบายสบายภาวนาของท่านสบายสบายนี่ฟังดิพระสารีบูรุษก็เป็นอากาศสข้องขวาเป็นพระรหันด้วยท่านท่านั่งภาวนาสบายสบายของท่านหน่งฟังดิท่านนั่งวุ่นวายกับอะไร เอามาเทียบกันเราสิถ้าท่านนั่งวุ่นกับงานนั้นงานนี้ยุ่งเหยิงวาอย่ยยยยางโลกโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นแบบทัานสองจะทั้งสององม า, า, านี่หลวพ่อตาดีบุตรก็ท่านนั่งเงี ย, งยบๆภาวนาสะดวกสบางท่านนี่พระสมณชรรมที่อยู่กับท่านเนลานั้นนั่งไม่ไม่นั่งอะไรมองหาแต่ใบไม้ ก็ชอบความสะอาดใบไม้ตกลงลานวัดนะ่ได้ไปเก็บไปเกี่ไปกวาดแต่อ์นี้เป็นุู้ชนภาษชายบุตรก็ฟังเลยเป็นเอกสารเห็นภระารบุตท่านนั่งไม่เฉยก็เลยคิดตาํดาหนิอาจารย์เวลานั้นก็อยู่กับพระชายบุตคิดตำหนิอาจารย์อาจารย์เรานี่ขี้เกียจใบไม้วัดมันใบไม้รว่รวงลงมา ก็ไม่ปัดไม่กวาดจะพูดอย่างนคือไม่เหมือนเราอันนัเราแบาเรามันบ้าไปเกิดไปไหมเขาจะให้มาเป็นเหมือนเราไงพระทหารท่า น, นแล้วก็สาววังฝาบุรีเจ้าท่านทำไมจะไม่รู้หนักรู้เบารู้เวลาเวลาการสถานที่ล่ะนี่กวาดเงนินนะ กวาดทั้งเก็บเก็บใบไม้ทั้งวันนี้ไม่ได้ทํางานอะไรท่าทักษาความสะอาดในลานห ม, มัดใหยกโทษพระสารีบุตรท่นท่านชี้เจียรท่านอย่างพรารีบุตรเห็นท่าเห็นไม่เป็นเห็นพระอานั้นเป็นบ้ากวาดไม่มีล่าเวลานะักท่านก็เรียกมาสอนทำปัดกวาดย้งไงปัดเป็นลา่าเรียนนาสอนไป หน้าที่การงานขอเราที่ควรทำเวลาไหนไงก็ให้มีเร่อเวลาปฏิบัดิขวัญ่มันเป็นเร่อเวลาเราเป็นปฏิบัติปฏิบัทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่เสียเวลาที่จะทำกิตติภาวนานทารักที่เลยมันเป็นของสำคัญมากเนีไงบางทีท่านสอนแต่ท่านดีนะพอฟังก็ใจอูด้านแล้วลงทันทีนะ ลงรันตีเลยลงพระไร่บดตรแล้วปรากฏในตํารานี่แล้วว่าสําเร็จเป็นถึงขั้นพระพระหาตบุคคลนะพระสมรรถนะสมรรถนะแปลว่าปัดกวาดตลอดเวล า, าภาษาของพวกเราที่เรามาใช้อยู่ในวัดป่าวันตานี้ว่สมมาสมรรถนะก็แปลว่าบ้ากวาดบ้าปัดกวาดนั่นเองคือไม่มีร่ำเวลายครับ โอภาวนะั่นคือสัมมตชนะจริงให้ชื่อว่าเป็นสัมมตชนะเพราะท่านปดกวัดิอยู่ตลอดเวลาีก็กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับสมาธิปัญญาทั้งนั้นท่า น, นแสดงเอาไว้อย่างนี้มีที่มันถึงมันน่าตื่นเต้นนะี่นะเห็นอยู่รู้อยู่ใครก็เรียนเรียนใครไม่ผ่านประกาศดีทยุเรา น, นี้มีเลย แล้วมันไม่ทําจะว่าไงมันดื้อด้านๆเนียจะทํ า, าทไงพระเราเห็นอยู่มไม่เห็นได้ไงเรียนมาจะเท่าไหร่แล้วพิธีศึกษาไหนยังมีมากเหมือนพิธีศึกษาในเมืองไทยก็กายพิธีศึกษานเมืองไทยแต่มันไม่ได้สนใจยิ่งกว่าสิ่งที่ยาก อันนี้สำคัญกรรมฐ า, านเรามันกำลังเป็นบ้าเะไรอย่นี้โอ้ทุเรียนนะนิสัทธ์ความน่าดื่มหน้ า, ด, นนาด้านความคือความกันนองนเป็นบ้าพระเป็นโลกมันร้ายกว่าโลกนะอันนี้จะฟังใครวะนี่ครูบาอาจารย์ก็หลงก็หลงไปใครก็ ใครเอกใครเอกมันมันเอกตาข้างเดียวสิไม่ใช่เอกอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนดังพระพุทธเจ้า ม, มาทํามันเอกยรืยนพระสัสดาองค์เอกเอกคือมีอันเดียวเท่านั้นมันมีอะไรเป็นคู่แข่งอันนี้มันเอกมันมันเอกในตาข้างเดียวถ้าซ้ำมาบัดสองข้าวสองก็ตาบอดแล้วอีกมันนึว่าเก่งอย่นี้ตาข้างเดียวยังว่าเก่งเอกตาข้างเดียวมันเก่งที่ไหน ย่ำเราอยู่ครั้งที่สองมันก็บอดเท่านั้นเลยเอกมันก็บอดวางเลยคือเนี่ยธรรมบัตรหนึ่มันไู่ทราบก็ไม่ทราบจะสอนไปให้เป็นตัวอย่างเลยมันหมดลงกระดาษนั้นเราครูบริจารสอนด้วย มันลดลงขนาดนั้นก็ไม่ทราบจะสอนก็นเป็นผลยืดหยุดอะไรมานล้วสอนมามากมากแล้วผลกแสดงไป็มาอย่างนี้ก็ไม่ทราบจะฝึกสอนไปทําไมแล้วอยู่ไปทําไมผู้อยู่มาอยู่ไปทําไมนั่นเสิลงทันทันไม่ลงยังทุเรียนจริงไม่จ่าหมด ก็กำลังใจที่อยู่แนะนำส่งสอนหมู่เพื่อนมันเลยหมดหมดหมดเปต่าง ต, าตามม่างหมดหาอยู่ลำพังคนเดียวไปเท่านั้นพอเพราะสอนอไม่ได้สอนคนหนึ่งวันเดียววันหนึ่งวันเดียวไม่ใช่มาวันหนึ่งวันเดียวแล้วมันเป็นนะเคยไม่รับการศึกษาเทัน